มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าอยากจะถามเดี๋ยวจะให้ไมโครโฟนไปถ้าไม่มีก็นั่งเฉยๆก็อยากจะเปิดโอกาสใครอยากจะถามเรื่องอะไรเพราะบางทีเดี๋ยวพูดไปแล้วไม่ ไม่ตรงกับที่อยากจะฟังแต่เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวช่วงหลังก็ถามได้ถ้าช่วงนี้ถามไม่ได้ก็ถามช่วงหลังก็ได้ตอนนี้ยังมีคนมาถายอยมาในไม่อยากจะพูดอะไรพูดแล้วเดี๋ยวโดนขัดจังหวะ ใคร้ามาบางคนก็อยากจะถวายของช่วงนี้ก็เข้าเทศ ก, กาลเข้าพรรษากับวันอาส า, าบูชาการที่เรามีวันสำคัญต่างๆก็มีเพื่อเป็นอุบาย ถ้าเป็นเด็กก็มีตุ๊กตาล่อเด็กพวกเราจิตใจเป็นเหมือนเด็กถ้าไม่มีจิตไม่มีตุ๊กตามีของล่อจะไม่เข้าวัดกันอะไรต้องมีของล่อมีวันสำคัญสำคัญเป็นของล่อถ้าไม่วันสำคัญไม่มาเนาะต้องวันอาสาหาบูชาวันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชา คือทำบุญเป็นวันสำคัญทำบุญจะได้บุญมากถ้าวันธรรมดาทำบุญแล้วมันได้บุญน้อยเลยไม่อยากจะทำกันจริงต้องรอวันสำคัญสำคัญวันมาค่วันวิสาขานี่คนมากันแน่นวันของพระพุทธเจ้าวันอาสาฬหบูชานี่เรียกว่าวันของพระธรรม เพราะเป็นวันที่มีการแสดงธรรมครั้งแรกส่วนวันมาค้าบูชาก็เป็นวันของพระสง์มีพระสงหนึ 1, ่ง0ัอราูปมารวมกันนี่คือการเกิดขึ้นของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามลำดับต้องมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก่อนอ พระพุทธเจ้าเกิดแล้วก็มีการแสดงธรรมวันอาสารหบูชาวันพรุงนี้ก็เป็นวันแสดงธรรมสองเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วอีกเจ็ดเดือนก็มีการเผยแผ่ธรรมะกระจายไปทั่วทุกสารทิศ ก็มีผู้สนใจศึกษาปฏิบัติบตรรลุธรรมกันเป็นพระอริยะสงสาวกกันเป็นพระอาหารหันตสาวกกันเป็นจํานวนมากมายัยางน้อยหนึ่งพันร้อยห้าสรูปที่อาจจะไม่ได้กล่าวพระพุทธเจ้าออกที่ที่ได้รับการเรียนจากพระพุทธเจ้าได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปเผยแผ่ธรรมะ มที่ต่างๆแล้วก็เกิดความคิดถึงอยากจะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายกัน1250รูปในวันเพ็ญเดือนสนี่คือวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาวันของพระพุทธเจ้าวันวิสาขาบูชาวันของพระธรรมคำสอน คือวันอาสาบูชาวันของพระอริยสงฆ์สาวกก็คือวันมาคาบูชานักปราชคือครูบาอาจารย์ท่านกลัวพวกเราจะไม่เข้าวัดกันท่านเลยต้องมีวันสำคัญสำคัญไว้ให้พวกเรารำลึกถึงกัน พวกเราเวลาไม่มีวันสําคัญแล้วจะไม่ค่อยทําเมื่ค่อยอยากจะทําอะไรพิเศษอยากจะทําอะไรไปตามปกติเคยทํามาหากินเคยเที่ยวเคยกินเคยดืมเคยเล่นก็ทํากันไปแต่พอวันสําคัญอันนี้จะต้องมีทําอะไรพิเศษกันเอทางโลกก็มีวันเกิดใช่ไหม วันเกิดก็ต้องมีการทำอะไรพิเศษวันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าวันแต่งางานวันศพงานวันตายอันนี้เป็นวันสำคัญสาคัญที่พวกเราอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษคืออยากจะทำบุญกันแต่ถ้าเป็นวันอื่นก็ ถูกเรื่องอื่นมันดูดไปหมดถูกเรื่องหนึ่งของร่างกายเรื่องของร่างกายก็คือต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทํางานมีรายได้ไม่งั้นร่างกาย ก, ายก็จะอดอยากขาดแคลนและอาจจะตายไปได้เวลาที่เราให้กับการเลี้ยงดูร่างกายนี้ก็ห้าวั น, วนอะไรอย่าง้ยอาทิตย์หนึ่งนี้เราไปทํางานห้าวันนอะ แล้นอกจากดูแลร่านกายแล้วเราก็ต้องเอาลังเอาเวลามาดูแลกิเลสตัณหาอีกอันนั้นก็สองวันนั่งก็ตอนหลังจากเลิกทํางานอหลังจากเลิกทํางานเราก็มาทําเลี้ยงกิเลสตัณหาอออกจากงานบางทีก็แวะช้อปปิ้งอยากจะซื้อข้าว ซ, ซื้อของไม่จําเป็นเรือแวะไปดื่มที่ไหนเอ ทำไมก่อนเราก็ต้องแวะผับเหมือนกันตอนนั้นเราไม่ทําทำงานแต่เรียนหนังสือพอเรียนเสร็จเย็นวันศุกร์นี่ตามผับ ก, ก็จะมีลดครึ่งราคาเครื่องดื่มลดครึ่งราคาแล้วก็มีกลับแก้มฟรีขาเรียกวแฮปปี้อว์เวลาชั่วโมงเห็นความสุขประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงประมาณ หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเนี่ก็จะห้าหกโมงถึงทุ่มหนึ่งอะไแฮปปี้เอาถ้าใครเข้าไปช่วงนั้นก็เครื่องดื่มก็ขึ้นราคามีกลับแก้มเต็มแล้วเรียนมาหาลัยแล้วเป็นปีสามปีสี่แล้ ว, 3, ลวใกล้จะจบแล้วมันก็ คือมันเป็นธรรมดาของคนที่นั่นขาวิธีผ่อนคลายความเครียดเขาก็คือต้องเข้าผับเข้าบาร์ก็พอดีเยน็นวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องก็เลยมีเวลาผ่อนคลายก็แวะเข้าผับเข้าบาร์แต่มันได้เข้าบ่อย อ, ยนอันนี้ก็พูดให้ฟังเราโชคดีอย่างไม่ค่อยถูกกับสุราดื่มได้นิดเดียวก็จะเมานะ ดื่มได้แก้วสองแก้วก็มึนนะหน้าแดงกลแพ้สุราก็เลยไม่ได้ดื่มมากแต่เราไม่ฟังเลยว่าเวลาที่เราใช้กับส่วนต่างๆของชีวิตเราห้าวันก็ให้กับร่างกายไปตอนเย็นหลังจากเลิกทำงานก็ให้กับกิเลสไป หรือบางส่วนก็ให้กับร่างกายไปต้องไปซื้อกั บ, กบข้าวซื้อของจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้อันนี้ก็เป็นการใช้ให้กับร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ให้กับกิเลสตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดดูหนังดูละครกันตอนเย็นกลับบ้านกินข้าวเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เปิดทีวีดูดูข่าวดูละครดูอะไรกันไป อันนี้ก็เป็นเวลาให้กับกิเลสตัณหาแต่เวลาให้กับจิตใจให้กับธรรมะนี่แทบจะไม่มีเลยพอดูทีวีเสร็จดึกก็นอนหลับถ้ามีแฟนก็นอนกับแฟนเลยไม่มีเวลาทาบุญทาบุญมันมีสามระดับทาบุญใส่บาตรทำบุญด้วยการถวายของเข้าของ ทำบุญด้วยการรักษาศีลทำบุญด้วยการภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบอันนี้แหละเป็นการทาประโยชน์ให้กับตัวเราอย่างจริงจคือการทาบุญการทำบุญสามระดับนี่คือทานศีลภาวนาอันนี้แหละเป็นของที่ดีจริงมีประโยชน์จริงแต่พวกเรากับเขียทิง้งเขียทิง้ง เหมือนกับไก่เคี่ยวพลอยทิ้งไก่ได้พลอยอนิทานเรื่องไก่ได้พลอยไก่มันจะต้องไปหากินคุยเขีย่ยตามดินตามอะไรคุยหาตัวนอนตัวไส้เดือนกินมันไปเจอเพชรเจอพลอยมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เขีย่ยทิ้งเขีย่ยทิ้งมันจะเอาแต่เอ า, แ ต, เอาแต่อาหารของมันพวกเราก็เหมือนกัน เรื่องบุญเรื่องกุศลนี้เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งอปัดวันประกันพุ่งเอาไว้ว่าโอกาสหน้าไว้รอวันสําคัญเอรอวันมาฆะก่อนนวันอาสาละ ห, าหนึ่งจะเข้ามาทําบุญกันอวันอื่นก็เอาเวลาไปใช้กับกิเลสตัณหาไปเลี้ยงกิเลสตัณหากิเลสตัณหาเนี่แหละเป็นข้าศึกศัตรูของเราแต่เราไม่รู้กัน เรากลับไปมองว่ามันเป็นมิตรมันมาชวนเราไปไหนไปกับมันทันทีไปเที่ยวไหมไปดูละครไหมดูไปชอปปิ้งไหมไปสัตว์ดูมาชวนนี่ไปเลยแต่ถ้ามิตรมาชวนนี่ไม่ค่อยไปมิตรก็คือเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเป็นมิตรของเรา ท่านเป็นผู้ที่จะมาช่วยเหลือเราไม่มีใครในโลกนี้ที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไม่รู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะเราไม่รู้จักตัวเราเราไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยเราก็เลยต้องเลี้ยงดูร่างกาย อะไรที่ทําให้ร่างกายเราสุขสบายเราก็ถือว่าอันนั้นแหละเป็นที่พึ่งของเราแต่ความจริงมันเป็นที่พึ่งของร่างกายมันไม่ได้ทํามันไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราต่อให้เราเลี้ยงดูร่างกายเราดีขนาดไหนเราเองก็ยังวุ่นวายใจไม่สบายใจยังหิวยังโหยยังอยา ก, กต่างๆอยู่ใจเราไม่ค่อยมีความสบายเท่าไหร่ มีเรื่องวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนานาอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาจะว่าได้เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นที่พึ่งของเรา เ, เรากลับไปเห็นที่พึ่งของร่างกายว่าเป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เห็นที่พึ่งของกิเลสเป็นที่พึ่งของเรา เ, เราก็เลยไปทำ ทำตามความต้องการของกิเลสทำตามความต้องการของร่างกายส่วนความต้องการของใจนี่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าบุญนี่แหละบุญที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้พวกเรามากระทำกันนี่แหละบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลความจริงมีมากกว่านี้มีสิบ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 กินก็มีกินก็กินไปไม่มีกินก็ไม่เป็นปัญหาอาหารเสริมนี่บางทีเราไม่เราขาดมันก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ขาดอาหารหลักไม่ได้เช่นข้าวกับเนี่กับข้าวกับปลากับข้าวน้ำดื่มอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอาหารหลักที่เราต้องมีมีข้าวจานขายเจียวฟองก็ยังอยู่ได้นะม้อกิน มือหนึ่งก็พออยู่ได้ไปแต่ถ้าไปกินอาหารเสริมนี่บางทีมันอยู่ไม่ได้อนี่คือบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าสอนมีสิบชนิดด้วยกันแต่บุญสำคัญสคัญเนี่ยที่เราควรจะมีควรจะทำกันทุกวันนี้เรากลับไม่ได้ทำกันถ้าเราทำบุญเหมือนกับเราให้อาหารกับร่างกายนี่โอยจิตใจของเรานี่จะ สุขสบายกว่านี้เยอะแต่นี่เรามารอปีละหารอวันสำคัญสำคัญเราก็่อยมาให้อาหารกับร่างกายสักให้อาหารกับจิตใจสักครั้งหนึ่งจิตใจเราก็เลยพร้อมแห้งเลยเปิดเลยทำให้กิเลสตัณหามันโผล่ออกมาหิวโหยกับสิ่งต่างๆที่ไม่ได้เป็นอาหารของจิตใจ ไปทํำตามความอยากของกิเลสตันหาทามากน้อยเท่าไหร่ก็ยังอยากอยู่อย่างนั้นไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเพราะมันไม่ได้เป็นการให้อาหารกับใจถ้าต้องการให้ใจเราอิ่มมีความสุขเนี่ต้องให้อาหารที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราให้กันคือให้ให้ให้บุญบุญนี้เป็นอาหารของใจเกิดจาก วิธีการกระทำหลายวิธีด้วยกันเอทำทานเนี่ยทำทานก็คืออันนี้วันนี้ยญาติโยมมีข้าของเงินทองก็แบ่งมาให้พระสงฆ์ของเจ้าได้ใช้บ้างเอมียาซีฟันมีแป้งซีฟันเอเราใช้คนเดียวไม่ไม่สุขเท่ากับแบ่งให้คนอื่นใช้ <c oughs> เราก็เลยเอามาแบ่งปันทานก็คือการให้การแบ่งปัน ข้าวของเงินทองที่เรามีอยู่เพื่อประโยชน์สุขของผู้ผู้รับของผู้อื่นาการทำบุญทำทานยึงควรจะทากับผู้ที่เขาขาดแคลนเาผู้ที่มีแล้วไม่จำเป็นจะต้องทำทำก็ได้แต่มันไม่สำคัญเท่ากับทากับผู้ที่เขาขาดแคลนเพราะผู้รับจะได้รับประโยชน์ไ่ให้กับให้กับคนที่เขามีแล้วเขาก็ไม่ เขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเขาก็มีอยู่พอเพียงอยู่แล้วแต่ทำได้แต่แต่ถ้าจะทำให้มันเกิดประโยชน์ทั้งเราและคนรับเนี่ยก็ต้องดูคนรับด้วยดูคนที่เขาขาดแคลนคนที่เขามีเราคงไม่ทาบุญกับเศรษฐีใช่ไหมเพราะทำไปก็เท่านั้นเราต้องทาบุญกับคนที่เขายากจนกว่าเราคนที่เขามีน้อยกว่าเราเขาขาดแคลน พระสง์องค์เจ้านี้ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระสงฆ์องค์เจ้านี้เป็นเศรษฐีต้องการให้อยู่แบบขอทานเพราะว่ามันจะได้ทําให้กิเลสไม่สามารถ อ, า อ, าออกมาทําลายจิตใจของพระสงฆ์องค์เจ้าได้พอพระสงฆ์รวยนี้เป็นไงกิเลสออกมาเยอะแยะทําลายพระสงฆ์องค์เจ้านะข่าวดังๆนี่ดังจากเรื่อง พระสองฆ์องค์เจ้ามีเงินมีเงินมีทองของมีเงินมีทอ ง, ง, ทองกิเลสตัณหามันก็ออกมาใช้เงินหลอกมาว่าเอาเงินนี้ไปใช้นู่นใช้นี่แล้วก็เกิดความเสียหายกับพระสองฆ์องค์เจ้าพระตถเจ้าจึงต้องการให้พระสองฆ์องค์เจ้าอยู่แบบขอทานอยู่แบบยากจนให้มีสมบัติน้อยที่สุด ให้มีได้เพียง8ดชิ้นสมบัติประจำตัวอัฐาบริขารคือบาตรหนึ่งใบไว้สำหรับหาอาหารจีวรสามผืนผ้าไตไว้สำหรับนุ่งหม่มเข็มก็ได้ไว้สำหรับซ่อมเย็บจีวรเวลามันขาดเข็มขัดรัดเอวแล้วก็มีดโกนไว้สำหรับปองผมเนวันนี้วันโกน ต้องมีมีดโกนพระต้องโกนผมทุกสามสิบวันวันโกนวันก่อนวันเพนหนึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันเพนเดือนแปดวันขึ้นสิบสี่ก็เป็นวันโกนผมทุกเดือนบางสำนักกับท่านเข่งกว่านั้นท่านโกนทุกสิบห้าวันแรศสำนักของหลวงปู่ชานี้ท่านจะให้โกนทุกสิบห้าวัน ท่านไม่ต้องการให้พระมีผมดูแล้วรูปหล่อเดี๋ยวยาโยมติดอ่ากให้โกนทุกสิบห้าวันอนอกจากยากจนน่วต้องการให้ขี้เล่ยด้วยจะได้ไม่มีใครมาติดอกติดใจขนาดยากจนขี้เล่ยยังมีสาวๆมาติดกนนะ นี่ก็หนึ่งของพระท่านต้องการให้อยู่แบบ อ, อยากจนเพราะว่าความร่ํารวยมันเป็นพิษเป็นภัยต่อการทําลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจความร่ํารวยนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้ทุกข์ให้วุ่นวายใจกันมีมากมันก็ต้องวุ่นวายมากมีน้อยก็วุ่นวายน้อย เราไม่รู้หรอกว่าความวุ่นวายใจนี้เป็นความทุกข์กันเออแต่เมื่อจะวุ่นวายใจยงไงก็ยินดีใครให้เงินมายินดีรับเสมอเอรับมาแล้วก็วุ่นวายใจเนี่ยเนยถ้าถูกอัลตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยใจเริ่มวุ่นนะกูอยากเอาเงินไปเก็บไปให้ไหนจะหลบหน้าหลบตาคนนั้นคนนี้ได้อย่างไรถ้าถ้าไปพังเผยบอกใครเท่าเนี้ยโอ้คนรู้เนี่ย ทีนี้คนจะมาหากันเป็นเหมือนกับอมดขึ้นน้ำตาลนะคนไม่เคยเจอหน้ากันรู้จักกันหายหน้าหายตากัรไปเป็นปีนี่จะโผล่ขึ้นมามาเยี่ยมเยียนกันโอ้ยทำท่าทำทางดีอกดีใจมัน <c oughs> <c oughs> จะมาเอาเงินเราใช่ไหม <c oughs> เขาจะมาสะแสดงหน้าสแสดงตาถ้าเราไม่ให้กันเดี๋ยวก็ขอเอง <c oughs> พี่ไม่แบ่งให้หนูมั่ง <c oughs> พอมีแล้ววุ่นวายไหมมีแล้วก็หวงไใครมาขอก็ไม่อยากจะให้ให้ก็เสียดายถ้าไม่มีก็ไม่มีใครมาตอมเราไม่มีแมงวันมาตอมอยู่สบายไม่มีใครมายุ่งกับเราไม่มีใครอยากจะมาหาเราย <G l> ึงให้อยู่แบบยากจน เพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมมีโอกาสได้ทําบุญะถ้าญาติโยมรู้ว่าพระรวยก็ไม่อยากจะทําบุญด้วยเออเรื่องเดี๋ยวนี้ญาติโยมบางคนก็ไม่อยากจะเข้าวัดที่รวยๆวัดที่เจริญนะวัดที่มีญาติโยมเข้าไปทําบุญกันเยอะก็เห็นแล้วมันเหลือเฟือก็เลยไม่อยากจะไปอยากจะไม่ทําบุญวัดที่เขายากจนกันวัดต่าจงจังหวัด วัดที่อยู่ไกลๆอันนี้วัดต้องรู้จักควบคุมให้เป็นวัดยากจนนลวงตาเนี่ยท่านควบคุมวัดท่านไม่ให้วัดร่ำรวยใครจะไปขอก่อสร้างนู่นสร้างนี่ท่านไม่สร้างกุฏิก็ยังเป็นกุฏิเก่าๆกุฏิใหมอไม่เป็นตึกหรูหรามีเศรษฐีน้องใครจะขอสร้างถวายกุฏิใหม่ให้หลวงตา ไนขอตั้งสิบครั้งต้งตาบอกแม่แม่สร้างท่านก็ใช้ของเก่านั้นไปอันนี้ท่านรู้ว่ามันไม่เหมาะสมพวกวัตถุต่างๆความเจริญวัตถุนี้ไม่ใช่เป็นการเจริญที่แท้จริงแล้วมันจะส่งให้เป็นภาพที่ไม่ไม่ถูกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เดี๋ยวพระวัดอื่นเขาเห็นว่าวัดนี้พัฒนาด้วยถาวารรัตถุกก็แข่งกันนะมั้ยแข่งสร้างโบสสร้างเจดีย์กันสร้างกุฏิกันสร้างอะไรรู้หลากันไปใหญ่แล้วมันไม่ได้เอื้อต่อการปฏิบัติไม่ได้เอื้อต่อการทำจิตใจให้สงบนะครับเหมือนกับอยู่กันแบบยากยากจน อยู่การแบบสมถะเรียบง่ายไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากหลวงตาท่านก็เลยควบคุมภายในวัดถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคเงินให้กับวัดมากน้อยเท่าไหร่ท่านก็บอกพระเนว่าเงินที่ไม่ได้ใช้สำหรับวัดก็จะเอาไปทำบุญช่วยเหลือสองเคราะโลกไปช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยอะไรต่างๆที่เขาขาดแคลน สำหรับวัดนี้พอเพียงแล้วไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีอะไรมากมายพออยู่พอไปพออยู่พอกินก็พอแล้วมันก็เลยทําให้คนมีศรัทธาที่จะเข้าวัดอย่างนั้นเพราะไม่ได้เป็นวัดหาเงินเป็นวัดหาธรรมคนที่ไปวัดนั้นควรจะไปหาธรรมะไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าหรือคารวะญาติโยม คารวะนี้เพื่อไปหาบุญหาธรรมมากกันคารวาะก็ทําบุญทําทานเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความสามารถของคารวาะที่จะทํากันจะให้คารวาะรักษาศีลภาวนานี่ก็ทําได้ไม่มากทําได้ยากอศีลห้าที่จะรักษากันยังรักษากันไม่ได้บริสุทธิ์เนี่ย ภาวนานี้แ้าจะไม่มีเวลาภาวนากันก็ทำได้ก็เพียงแต่ทำทานาทำเงินถวายเงินถวายทองส่วนทางวัดก็ต้องรู้จักขอบเขตเมีเงินมีทองควรจะเอาไปใช้ในทางไหนให้เกิดประโยชน์เอาไปใช้กับวัดไปสร้างอะไรให้มันหรูหลามันก็ ทำให้กลายเป็นดูวัดล่ํารวยไปแล้วมันก็จะไปยุ่งกับเรื่องถาวรวัตถุ ก, กันสร้างแล้วเดี๋ยวก็ต้องบูรณะซ่อมแซมเดี๋ยวมันก็สีกรอเดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมอีกก็วนเวียนอยู่กับการสร้างการซ่อมเนี่ยแทนที่จะเวลาไปภาวนาไปศึกษาทำก็ไม่ได้ทํากันแล้วถ้า อยู่ในยุคที่ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปทีนี้มันไม่มีคนมาทําบุญเหมือนสมัยครูบาอาจารย์ทีนี้ก็ต้องหาเงินกันเลยหาเงินมาบบรณะซ่อมแซมทาว่าวัตถุที่สร้างไว้แทนที่จะไปหาธรรมก็มาเรียรายเงินกันเลียรายบอยจากทาให้คนที่ไม่ทําให้คนเบื่อได้ขอะ การทำบุญนี้ควรจะปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของผู้ให้ผู้ให้อยากจะให้ก็ให้แต่ไม่ควรมีวิธีหลอกล่อแล้วหรือมีการชวนเชิญบางวันนี่จะมีโคศกวันนี้ญาติโยมจะทำอะไรบ้างทางวัดขาดนูน่นขาดนี่ว่าไปอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการ เป็นเป็นหน้าที่ของของวัดวัดไม่ควรที่จะไปไปหาเงินเป็นเป้าหมายาชวนควรจะสอนญาติโยมให้รู้จักเรื่องของบุญเรื่องของกุศลแล้วก็แล้วแต่ญาติโยมจะเลือกทำเอ า, เ, อาเหมือนกับเป็นเมนูามาวัดนี้ เวลาไปร้านอาหารก็จะมีเด็กเสิร์ฟเอาเมนูมาให้ดูเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าร้านนี้ขายอาหารชนิดไหนบ้างก็ต้องเปิดเมนู ด, ดูแล้วม่ก็ต้องถามเด็กว่า้ที่นี่มีอะไรบ้างเด็กมันก็จะไล่า ย, ยาวออมา ม, มีนู่นมีนี่มีออันนี้มาวัดเนี่ยพระก็เป็นเหมือนเด็กเสิร์ฟเลยยอมมาเนี่ยยมจะมากินอาหารยมจะมาทําบุญ พระก็ต้องบอกบุญเห็นั้ยเนี่ยวันนี้ศาสนานี่ก็สอนบุญสิบประการบุญหลักกับบุญเสริมเมื่อกี้ก็บอกบุญหลักทำทานรักษาศีลเริ่มตอนที่ศีลศีลหนึ่งก่อนก็ได้มไม่ต้องศีลห้าหรอกถ่าศีลห้ามันยากก็เอาศีลหนึ่งก่อนเอาเลือกใดสักข้อหนึ่งรักษาไว้แบบจริงจริงยังยไม่ใช่แบบเล่น คือเอาข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็รักษามันไปจนตลอดชีวิตไปเลยอย่างนี้เลเอาสักข้อหนึ่งเนะี่ยปัรษานี่ลองเลือกสักข้อหนึ่งสุราหรือกโกหกประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์ฆ่าสัตว์เนี่ยมีอยู่ห้าข้อจะให้ ท, ทําทีห้าทีเดียวห้าข้อนี้มันคงจะยากเอาเอาสักข้อหนึ่งเนี่ยรักษาศีลนี่แท้จริงมันต้องรักษาแบบไม่เลิก รักษาแล้วเลิกมันก็แบบดึงหลอกเจ้ารักษาวันพระวันเดียวพอพ้นวันพระไปก็กลับไปกลับไปทำเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช่เป็นการรักษาศีลจริงๆการรักษาจริงๆต้องรักษาได้ตลอดชีวิตเ็าเรียวกว่าเป็นนิตจศีล น, น, นี่ก็ศีลจริงๆต้องเป็นอย่างนั้ น, น, นก็ลองเลือนนกดูเสียห้าข้อเนี่ยสุราที่น่าจะง่ายที่สุดเนาะ ชุราถ้าไปงานเลี้ยงเขาจะให้เราดื่มชุราก็บอกขอน้ําส้มนะขอน้ําเปล่าเอดิมไปเราถือศีลก็บอกเข้าไปคนดื่มชุราเวลาเราจะเอาหมูให้เขากินก็บอกเขากินไม่ได้เขาถือเขาถือศีลของเขาเอก็เหมือนกันทําไมเขาเขาไม่กินหมูได้ทําไมเราไม่ดื่มเหล้าไม่ได้ะ เอาแบบจริงๆยังจังเลยเริ่มต้นเนี่ยพวงนี้เนี่ะเป็นช่วงดีที่จะเริ่มต้นทำอะไรดีๆให้แก่ชีวิตศี่ห้าข้อนี้เอาสักข้อนึ่งตลอดชีวิตเลยนี่เมนูที่นี้เด็ดหน่อยนเนี่ยเผ็ดร้อนหน่อยให้รักษาทีทั้งชีวิตเลยไม่ให้รักษาเพียงแค่วันเดียวสองวันอ่ามันจะได้ผลจริงๆมันต้องรักษาตลอดชีวิต เพราะว่าการรักษาศีลนี่มันจะเป็นการปิดกั้นอบายปิดประตูของอบายถ้าปิดวันเดียวเปิดหกวันนี่มันก็มันก็ยังเข้าได้ใช่ไหมได้ไม่ต้องการเข้าอบายมันก็ต้องปิดปิดทุกวันปิดทั้งเจ็ดวันเนี่ยนี่มาปิดวันเดียวแล้วเปิดหกวัน่าการรักษาศีลนี่เป็นการปิดประตูไปสู่อบาย บาปเนี่ยการกระทำบาปคือการไม่รักษาศีลนี่เป็นการจะทําให้จิตนี่จะต้องไปเกิดในอบายที่ไปเป็นเดรัจฉานกันกนี่ก็เพราะเนี่ยไม่รักษาศีลกันไปเป็นดวงวิญญาณที่ ห, หวโหยที่เรียกว่าเปรตก็เป็นอไม่ได้รักษาศีลเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็เหมือนกันเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่คุม้มความลุ่มร้อน ก็คือนรกเนี่ยก็เกิดจากการทำบาปถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นวดวงวิญญาณแบบไหนแบบหนึ่งหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องรักษาสี่ห้าข้อเดียวไม่พอแต่ต้องเอาข้อแรกก่อนข้อข้อแรกก็คือสุราเพราะว่าสุลานี้ถ้าเรารักษาได้เราก็จะไม่มึนเมา ไม่ขาดสติคนเรามักจะทำอะไรกันตอนที่เมาง่ายกว่าตอนที่ไม่เมาคนที่จะทำบาปบางทีต้องดื่มสุราก่อนงี้ยไม่กล้าทำเพราะว่าเวลาไม่เมามันมีฮิรีโอตปะมีความอายในการกระทำที่ไม่ดีแต่พอเมาแล้วมันไม่มีสติทำให้มันไม่คิดถึงฮิรีโอตปะ ทำให้ความอายความกลัวบาปมันหายไปคนเลยกล้าทำบาปกันในช่วงเวลาที่เมาหมึนเมาเอาแต่เจ้าจึงต้องห้ามดื่มสุราถึงแม้ว่าการดื่มสุราโดยลำพังของมันเองนี่ยังไม่ถือว่าบาปคก็ยังไม่ได้ไปทำร้ายผู้อื่นไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแต่มันจะทำให้ง่ายต่อการทำบาป ก็เลยต้องห้ามแม้สมัยนี้เราก็เห็นกันแนละ้วทางบ้านเมืองก็ยังต้องมีสรูแก่นเนอะเมาแล้วไม่ขับมเมาแล้วไม่ขับเพราะว่าเวล า, มาเมาแล้วขับรถเดี๋ยวก็ไปเกิดอุบัติเหตุก็เกิดการเสียหายทางด้านทรัพย์สินและชีวิตถึงแม้จะไม่มีเจตนาก็ถือว่าบาปเหมือนกันนะ เพราะว่ารู้อยู่กับใจว่าถ้าเมาแล้วขับนี่อาจจะทำให้คนตายได้ฉะนั้นจะมาอ้างว่าไม่มีเจตนาก็ไม่ได้คือไม่มีเจตนาที่จะไปชนเขาตั้งใจไปชนแต่มันเหตุมันเกิดแล้วบางทีกระทันหันควบคุมบังคับไม่ได้ก็ทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายถึงแก่เสียชีวิตหรือตอนเองเสียชีวิตก็ได้ ไม่เช่นั้นก็อาจจะพิกลพิการไปบางคนเดื่มสุราแล้วก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปหัวทิ่มศีสะกระแทกกับของแข็งเป็นอมาตะกรรมาพาดไปทั้งชีวิตเลยนี่โทษของการดื่มสุราถ้าเรารักษาข้อที่หนึ่งได้ก็มาเลือกอีกสี่ข้อ พูดปลดกับประพฤติผิดประเวณีอันไหนง่ายกว่ากันรักัษอฆ่าสัตว์เมนูเด็ดของวันนี้นเลื่องก็สามง่ายกว่าเลยประพฤติผิดประเวณีนี่ง่ายเลย ต้องไปต้องแต่งงานกันนะถึงจะเสพกามได้ถ้าไม่ได้เสดไม่ได้เป็นคู่กันไม่ได้เป็นคู่ครองกันนี่ก็ไปร่วมหลับนอนกันไม่ได้นะถ้าไม่ใช่นนั้นมันก็จะเป็นเหมือนพวกสุนัขเดือนเก้านะสุนัขเขาก็ไม่มีงานเขาไม่ได้จัดงานแต่งงานกันนะเขาไม่ได้ประกาศว่านี่คือภรรยาสามีของเรา่ จันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องถึง <c oughs> เวลามันเจอตัวไหนมันก็มันก็นก <c oughs> ขึ้นขี่ทันที น, นี่ก็คือบุญที่วระาจารสอนว่าเราควรจะทำเป็นเอาริงเอาจังการทำทา น, นก็ควรจะทำทุกวันเหมือนกันการรับประทานอาหารนนทำมากทำน้อยก็ทำไปตามกำลังของเรา ถ้าเรามีน้อยจริงๆก็ทำวันละบาทก็ได้วันละบาทก็ใส่บาทพระหนึ่งบาทหรือม่เฉะนั้นถ้าไม่มีพระมาก็เอาเงินบาทหนึ่งใส่ก็บปวกไว้ก็ได้แต่ห้ามเอาไปใช้โดยเด็ดขาดจะใช้ได้เอาเพียงแต่เอาไปทำบุญเท่านั้นเป็นเงินทำบุญถ้าเราทำอย่างนี้พอถึงวันมาคาเนี่ยก็มีเงินทำบุญเยอะนะวันวิสาขะเอาเก็บไว้ได้หลายเดือน ก็มีเงินไปทําบุญได้เยอะถ้าไม่มีเก็บไว้เลยพอเวถึงเวลาจะมาวันสําคัญสําคั ญ, คญก็ทําได้นิดเดียวยังควรจะฝึกเป็นนิสัยหทํามันทุกวันมีเงินเล็กมีมากมีน้อยแบ่งใส่แบ่งใส่กระปุกไว้เป็นเงินทําบุญไว้อแล้วพอมีวันที่เราจะทําบุญเราก็เอาเงินนี่แหละไม่ว่าจะทําบุญในกรณีใดก็เอาไปทําได้เอ วันเกิดก็เอาไปทำบุญได้วันครบรอบแต่งงานหรืออะไรอยากจะทำบุญเราก็จะได้มีเงินทำบุญจะได้ทำได้มากก็พยายามหัดทำทุกวันเพราะทำทุกวันมันจะเป็นนิสัยแล้วจะทำให้ทำได้อย่างต่อเนื่องแบบที่นิทานที่เขาเล่าให้ฟังแบบกระต่ายกับเต่าเนี่ยไหะเต่าันนี้มันเดินไปเรื่อยๆมันไม่หยุดกระต่ายนี่มัน ประมามันถือว่ามันวิ่งเร็วกว่าเต่ามันก็เลยวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างไปเล่นบ้างไปเที่ยวบ้างพอกลับมาทีเต่าถึงหลักชยกัยแล้วกระตายวิ่งไม่ทันเต่าอันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญก็ให้เราทำแบบเต่าทำทุกวันทุกวันอย่ารอทำวันสำคัญสาคัญพะบางทีถึงวันนั้นแล้วไม่มีเงินทำ พอโมแต่เอาเงินไปใช้กับเรื่องอื่นซะหมดพอถึงวันสําคัญสําคัญแล้วไม่ได้ทําบุญเอแต่ถ้าเราทําแบบทุกวันเนี้ยเก็บวันละเล็กวันละน้อยสะสมมาไว้ก็ถือว่าเราได้ทําบุญทุกวั น, นเอออเาเงินหยอดกระปุกปบ้างแล้วถือว่าเงินนี้ห้ามเอาไปใช้ในกรณีอื่นโดยเด็ดขาดแล้วก็ทําแต่ทําแต่บุญอย่างเดียวเอาไปใช้กับการทําบุญอย่างเดียวเราก็จะได้ทําบุญทุกวันเอ การทำบุญนี่ก็เป็นเหมือนกับการสะสมทรัพ์ไว้สำหรับเวลาที่เราต้องออกจากร่างกายนี้ไปเราไม่ได้เป็นร่างกายเรามาเกาะมาอาศัยร่างกายอยู่อาศัยใช้ร่างกายพาเราไปทำอะไรต่างๆตามความอยากกิเลสตัณหาซึ่งเป็นความสุขเดียวๆได้แล้วก็จบแล้วก็หมดแต่ไม่มีอะไร หลงเหลืออยู่ให้กับใจให้มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเลยแต่บุญที่เราทำนี่มันจะสะสมความอิ่มใจสุขใจไว้ในใจของเราเป็นเหมือนทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เราจะไปใช้เวลาที่เราออกจากร่างกายนี้ไปไปกลับไปสู่โลกทิพย์ใจเรานี่มาจากโลกทิพย์ส่งส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายเพื่อมาหาความสุข ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอไม่มีร่างกายแล้วเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องอาศัยบุญนี่แหละเป็นตัวสร้างความสุขให้กับเราเพราะการทำบุญนี้จะทำให้เร า, เาสร้างมโนภาพที่ดีมโนภาพนี้ที่เราเรียกว่าความฝัน เ, เวลาที่เรานอนหลับนี่เราไม่ได้ใช้ร่างกาย เราอย่างเราก็ใช้มโนภาพเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราเช่นในเวลาเราฝันดีนี่เรามีความสุขมากแต่มโนภาพที่เราที่เราใช้ในเวลาที่เราหลับนี่เราสั่งมันไม่ได้คือมันอยู่ที่ว่าเร า, เาทําอะไรไว้ตอนที่เราตื่นถ้าเราทําบุญเราก็จะมีสะสมมโนภาพที่ดี ถ้าเราทำบาปเราก็จะสะ ส, สมมโนภาพที่ไม่ดีและเวลานอนหลับนี้ก็แล้วแต่ว่ามันอ ม, มโนภาพอันไหนมีกำลังมากกว่าถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะมีแต่ฝันร้ายถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะฝันดีดังนั้นถ้าเราทำบุญสองชนิดคือบุญที่เกิดจากการให้ทาน กับบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือไม่ทำบาปเราก็จะสะสมแต่มโนภาพที่ดีมโนภาพที่ไม่ดีเราก็จะไม่สะสมเวลานอนหลับเราก็จะฝันดีเวลาตายไปเราก็จะฝันดีเวลาตายเราก็ฝันต่อทีฝันยาวฝันไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่เราถึงจะตื่นขึ้นมาใหม่ช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงนั้นเป็นช่วงเหมือนกับตอนช่วงที่เรานอ น, อนหลับ จิตจะอยู่ในโลกทิพย์จะอยู่กับมโนภาพที่ตนเองได้สะสมไว้ถ้าสะสมมโนภาพที่ดีก็จะมีมโนภาพที่ดีมาให้ดูให้เสพถ้ามีมโนภาพที่ไม่ดีก็จะมีมโนภาพไม่ดีมาให้เสพเนี่ยมโนภาพของอบายนี้ไม่ดีมโนภาพของเรื่องมีแต่เรื่องถ้าของเป็ดก็มีแต่เรื่องหิวโหวยอดอยากขาดแคลนถ้า ถ้าเป็นอสุรกายก็มีแต่เรื่องหวาดกลัวหวาดเสียววิตกกังวลถ้าเป็นเรื่องของนรกก็มีแต่เรื่องความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันอันนี้จะเป็นภาพประยนุนที่เราจะดูในช่วงที่เราไม่มีร่างกายท่านนึงเรียกว่ามโนภาพที่ดีว่าเป็นสวรรค์มโนภาพที่ไม่ดีนี้เป็นอบาย อันนี้เกิดจากการทำบุญกับการทำบาปถ้าไม่อยากจะมีมโนภาพที่ไม่ดีไม่อยากจะฝันร้ายก็อยากทำบาปแต่อยากจะมีแต่มโนภาพที่ดีก็ให้ทาบุญเยอะๆทำบุญแล้วนอนหลับฝันดีตายไปก็จะฝันดีไปจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มา ทำตามความอยากต่อไปตอนที่ตื่นก็ไม่ต้องอาศัยมโนภาพต้องอาศัยร่างกายก็ต้องไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส mm hmm. ก่อนจะเสบก็ต้องไปหาเงินก่อนต้องไปทำงานทำการต้องเลี้ยงร่างกายก่อนต้องเลี้ยงกา้างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีกาลังถึงจะไปเที่ยวได้พอเลี้ยงร่างกายแล้วมีเงินเหลือที่นี่ก็ไปเที่ยว ถ้างเงินไม่พอก็อาจจะไปทำบาปไปขโมยไปโกงเงินของคนอื่นเขาเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวมามาเล่นอันนี้ก็ก็จะสร้างบาปสร้างมโนภาพไม่ดีโดยไม่รู้สึกตัวถ้าโชคดีเกิดมาหาเงินเก่งหาเงินได้เยอะมีเงินเหลือก็เอาไปแบ่งให้คนอื่นใช้ก็ได้ทำบุญก็ได้สร้างมโนภาพที่ดี การกลั บ, ก, บการกลับมาเกิดคงพวดเราก็ทำอย่างเนี้ยคือเป้าหมายหลักก็คือกลับมาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะใจเรามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายก็เลยต้องมาเกิดพอได้ร่างกายก็ต้องเลี้ยงร่างกายก่อนต้องเลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตเบื้องต้นการอาศัยพ่อแม่ช่วยเลี้ยงดู พอโตขึ้นก็นพ่อแม่ก็ส่งไปโรงเรียนเพื่อไปหาวิชาความรู้เพื่อที่จะได้มาหาเงินหาทองแบบที่ไม่ต้องทำบาปเพื่อจะได้เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างสุขสบายแล้วถ้ามีเหลือก็เอาไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปอะไรกันแต่ถ้าไม่ไม่ไปเรียนหนังสือหนีโรงเรียนออก ไม่ได้เรียนจบเวลาไปหางานก็หาได้เงินน้อยแต่ใช้เงินมากใช้มากกว่าหาได้ก็ถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจบังคับจิตใจเดี๋ยวก็ไปทำบาปเพราะจะต้องหาเงินมาเที่ยวมาใช้กันแต่คนที่ขยันเรียนก็จะหางานได้ดีมีเงินเดือนเยอะก็มีเงินเหลือไม่ต้องไปทำบาป แล้วยังได้ทำบุญด้วยแต่ก็เป้าหมายหลักก็คือเอาเงินนี้มาเที่ยวกันพอทำงานเสร็จหยุดสี่วันนี้ไปไหนกันไปเที่ยวกันไปวัดมีไหมก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่นี้ไปเที่ยวกันอันนี้พวกที่ไปวัดก็เพราะว่าได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ หรือชาติก่อนเคยพบพระบุตรพระธรรมพระสงฆ์มาก่อนเคยเคยทำบุญมาก่อนเคยไปวัดมาก่อนก็จะติดนิสัยนี้มาพอมีเวลาว่างก็อยากจะเข้าวัดพวกที่มีนิสัยไปเที่ยวพอมีเวลาว่างก็อยากจะไปเที่ยวจะไม่จะไม่เข้าวัดเพราะไม่รู้ว่าไปวัดไปทำอะไรคนไม่คนไม่เคยเข้าวัดไม่รู้ว่าไปวัดไปทาอะไร ความยิงใบวัดก็ไปหาความสุขแบบไปเที่ยวเนี่ยเป็นความสุขคนระแบบกันความสุขที่มันละเอียดกว่ามันนิ่มนวลกว่าเป็นความสุขเย็นความสุขที่อิ่มส่วนความสุขที่ไปเที่ยวเนี่ยเป็นความสุกร้อนความสุขที่หิวเที่ยวยิ่งเที่ยวเท่าไหร่ยิ่งหิวไม่ได้อิ่มไม่พอแต่ทำบุญแล้วมันจะอิ่มมันจะไม่อยากเที่ยวมันไม่อยากจะไป ซื้อของอะไรต่างๆพุ่มเฟยต่างๆเขาไม่รู้กันว่าการเข้าวัดนี้ได้ความสุขที่ดีกว่าเพราะเขาไม่มีโอกาสได้มาศึกษาไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมหรือสมัยนี้คนสอนก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าบุญมันเป็นยังไงดีอย่างไรดีกว่าการไปเที่ยวอย่างไรเงินก้อนเดียวกันใช้กับการไปเที่ยวกับ การใช้กับการทำบุญอย่างไหนจะดีกว่ากันถ้าพวกมันใช้กับการทำบุญมันดีกว่าเพราะได้บุญที่เย็นที่อิ่มส่วนเอาไปเที่ยวนี้ได้เย็นได้บุญได้ความสุขที่ร้อนที่หิวเที่ยวแล้วก็อยากจะเที่ยวอีกพอไม่ได้เที่ยวใจก็ร้ม่มร้อนขึ้นมาว้าวุ่นขึ้นมาหรือไม่งั้นก็ซึมเศร้าเศร้าส้อยงอยเหงาว้วาเว นี่ผลที่เกิดจากการเอาเงินไปเที่ยวกันมันจะติดมุนยาเสพติดเวลาได้เสพมันก็สุขแต่พอเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เต่างกับการทำบุญทำบุญแล้วจะไม่หิวไม่อยากจะเสพอะไรแล้วแต่บุญก็ไม่ได้ทำก็ไม่เดือดร้อนอนี่คือเรื่องของบุญที่เราควรจะทำกันให้มากมากบุญหลักทาบุญ ถ้ามันมากกว่าบาปเพราะถ้าบุญมันมากกว่าบาปบุญมันจะส่งผลก่อนถ้าบาปมันมากกว่าบุญบาปมันจะส่งผลก่อนบุญกับบาปมันเหมือนกับวัวที่ลากเกวียนเนี่ยถ้าเรามีกลัวสองตัวตัวหนึ่งผูกไว้ข้างหน้าตัวหนึ่งผูกไว้ข้างหลังเกวียนเนี่ยสองตัวมันก็จะดึงไปคนละทางใช่หตัวไหนมีกาลังมากกว่ามันก็จะดึงไปทางของมันอันนี้ก็เหมือนงนใจเราก็ถูก วัวสองตัวนี้คือบุญกับบาปเนี่ยคอยลากเราไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะลากเราไปให้เราได้ฝันดีได้มีแต่ความสุขใจอิ่มใจถ้าเราบาปมันลากไปมันจะทำให้ใจเรารุ่มร้อนใจเราเครียดใจเราทุกข์นั้นอย่างน้อยถ้ายัางทำบาปอยู่ก็ให้มันน้อยกว่าทำบุญก็แล้วกันแต่อย่าทำได้ดีที่สุด บาปนี้ให้มันศูนมีแต่บุญมีแต่บุญในหะมันบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วทุกคืนขินจะนอนหลับฝันดีแล้วเวลาตายไปก็จะฝันยาวฝันดีไปจนกว่าจะกลับมาเกิดใหม่แล้วกลับมาเกิดใหม่บุญที่ทำไว้ยังมีผลต่อเพราะเป็นเหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะร่ำรวยกว่าเก่า เพราะว่ามีเงินเราสะสมเก็บเอาไว้มีดอกเบีย้ยด้วยทําบุญกลับมาจะร่ํารวยดูพระเวชสันดรมช่ไพระเวชสันดร น, นี่ทําบุญเอ mm hmm. พอตายไปก็ฝันดีฝันอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นแล้วพอลงมาจากสวรรค์มาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะร่ hmm. ารวยนี่เป็นอันิี้สองของบุญของ ทานที่เราทํากันส่วนศีลก็ทําให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปฝันร้ายแต่มันก็บุญกับบาปก็กทําได้แค่นี้ยังยุติการกลับมาเกิดไม่ได้เพราะการกลับมาเกิดนี่มันเกิดจากความอยากที่มันไม่ได้ตายด้วยการทําบุญมันไม่ได้ตายด้วยการรักษาศีล การทำบุญการรักษาศีลนี่เพียงแต่ก็ค้าว่าบาป ม, มันห้ามมันแต่มันไม่ได้ทำลายมันเบรมันไว้เวลาทำบุญก็เบรกความอยากไปส่วนหนึ่งเวลารักษาศีลก็เบรกความอยากไปส่วนหนึ่งแต่เพียงแต่เบรกไว้แต่ไม่สามารถทำให้มันตายได้ ถ้าอยากจะทําให้มันตายนี่ต้องมาทําบุญระดับที่สามคือภาวนาตอนต้นก็ทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลพอรักษาศีลได้ทีนี้ก็ต้องมาภาวนานี่จะภาวนานี่ศีลก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดเพราะศีลห้าไม่มีมีกำลังไม่พอที่จะมาใช้กับการภาวนาเหมือนกับขึ้นเขาการภาวนานี่เหมือนกับขึ้นเขา ถ้าเป็นรถก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ใช้เกียร์ธรรมดาวิ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่มีกําลังต้องเปลี่ยนเกียร์ต่ำเวลาเราขึ้นเขานี่เราต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยเพราะว่ามันกําลังมันไม่พอศีก็เหมือนกันศีนห้านี้จะไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการภาวนาการภาวนานี้ก็คือการมาควบคุมจิตใจมาหยุดจิตใจหยุดความอยากทาลายความอยาก ต้องทําลายด้วยการภาวนาการจะภาวนาได้จึงต้องมีเวลาถ้ารักษาศีลห้านี้มันจะไม่สามารถหาเวลามาให้กับเราได้เพราะศีลห้าไม่ได้ห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปเที่ยวยังเที่ยวได้ถือศีลห้าก็ไปเที่ยวได้กินข้าวเย็นก็ยังกินได้นอนหลับกับแฟนก็ยังนอนได้แต่ถ้ามาถือศีลแปนี้ ามไม่ให้ทํากิจกรรมเหล่านี้ก็จะมีเวลาเอาเวลาไปเที่ยว เ, เวลาไปนอนกับแฟนเอาเวลาไปกินเลี้ยงไปกินอาหารข้ามนี้มาภาวนามาเดินจงกรมนั่งสมาธิขั้นต้นก็คือจเจริญสติเพราะสติจะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเชือกที่จะมาจับตัวจิตไว้ถ้าจิตเปรียบเทียวก็เป็นเหมือนลิง ถ้าเราอยากจะให้ลิงมันนั่งเฉยๆทําไงก็ต้องเอาเชือกมามัดตัวมันถ้าไม่มีเชือกบอกมันนั่งเฉยๆเนะ่ยอย่าทําอะไรนะมันไม่ฟังหรอกเห็นไหมลิงมันก็รู้อยู่ธรรมชาติของมันมันก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาเล่นของมันไปถ้าอยากจะให้มันนิ่งเี้ยเราก็ต้องเอาเชือกมาจับมัดมันไว้จิตเราก็เหมือนกันมันชอบคิดทั้งวันทั้งคืนเห็นไหมคิดเรื่อยไปคิดแล้วก็อยากนู่นอยากนี่ไป เราต้องการหยุดความอยากหยุดความคิดเราก็ต้องมีเชือกมามัดมันเชือกที่จะมัดจิตนี้ก็คือสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าเป็นการใช้เชือกมามามัดตัวจิตถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีถ้าเราสามารถควบคุมได้ เดี๋ยวความคิดมันก็จะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบมีความสุขขึ้นมามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดื่มอะไรต่างๆอันนี้แหละคือความสุขที่พระพุเจ้าต้องการให้เราเข้าหากันเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวรความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอด ความสุขที่เราได้จากร่างกายเดี๋ยวพอร่างกายเสื่อมก็ไม่สามารถหาได้พอร่างกายตายไปก็หมดต้องกลับไปหาร่างกายอันใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับการทํทมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพอไมาหาความสุขแบบแบบการภาวนาได้ก็ต่อไปก็ไม่ต้องมีร่างกาย น ant, ี่ค <Mor an> ือเรื่องของการที่เราจะหยุดการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาเสี่ยงกับการทําบุญทําบาปอยู่เอก็คืออยากเกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเงินทองไม่พอก็ต้องไปทําบาปแต่ถ้าเราไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่ต้องทําบาปเมื่อไม่ต้องทําบาปบุญก็ไม่ต้องทําก็ได้ เมื่อเราไม่มาเกิดเราก็ไม่ต้องอาศัยบุญเพราะเราได้บุญที่ดีกว่าบุญที่เกิดจากการไม่มาเกิดเนี่ยเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากบุญที่เราทำกันถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาของเราให้มันหมดสิ้นไปนอกเหนือจากการทำบุญทำทา่าททานรักษาศีลแล้วเราต้องมาภาวนาถ้าไม่ภาวนานี่เราจะไม่มีวันที่จะ หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วเราก็ต้องอาศัยการทำบุญรักษาศีลเป็นขั้นบันไดก่อนถ้าเรายังทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เราจะไม่มีทางที่จะมาภาวนาได้ก่อนที่ชอบเที่ยวชอบชอปปิ้งชอบกินชอบดื่มนี่ไม่มีวันที่จะมาเข้าวัดมาภาวนาได้เพราะเนี่ยหยุดสี่วันก็ไปแล้วเนี่ย้องตั๋วไปไหนกันละ ต้องต้องหยุดกันต้องเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญก่อนตัดกิเลสก่อนเพื่อจะได้มีเวลามามาภาวนาได้ถ้ามีเวลาภาวนาแล้วภาวนาอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดจะนัรสติอย่างไม่หยุดสตินี้สาคัญที่สุดในการภาวนาถ้าได้สติแล้วเดี๋ยวสมาธิปัญญามันจะตามมาเองถ้าไม่ได้สติแล้วสมาธิปัญญาตามมาไม่ได้ สติเป็นเหมือนพ่อแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพ่อแม่พวกเราเกิดมาไม่ได้ลูกหลานที่จะตามมาตามมาไม่ได้ต้องรอให้มีพ่อแม่ให้กำเนิดเราก่อนสติเป็นผู้ให้กำเนิดของธรรมทั้งปวงพระเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลายเปรียบเทียบเหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดในในป่า สามารถครอบลอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดยิ่งใหญ่กว่ า, าถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องการสร้างสมาธิสร้างปัญญาเราจำเป็นจะต้องเจริญสติให้ได้สตินี้ต้องเจริญตลอดเวลาตั้งต่ตื่นจนหลับถ้าเราทำได้แล้วนั่งสมาธิจิตก็จะสงบเป็นสมาธิออกจากสมาธิก็สามารถ พิจารณาทางปัญญาเพื่อหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อเรามีสติเราจะมีสมาธิมีปัญญาตามมาพอเรามีสติสมาธิปัญญาเราก็จะละตั้นหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของการเกิดแก่เจ็บตายได้ต่อไปการเกิดแก่เจ็บตายก็จะไม่มีอีกต่อไปเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกาย อย่าไปคิดว่าการเกิดดีนะนะคิดจริงๆแล้วมันไม่ดีหรอกมันดีตรงที่ได้เที่ยวได้อะไรเท่านั้นเองแต่เวลาต้องเสียเวลาต้องทุกข์นี่ยมันเวลาต้องจ่ายนี่มันไม่คุ้มสู้เอาความสุขแบบที่ไม่ต้องมีร่างกายดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบของใจที่เกิดจากการจเจริญสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นความสุขที่ ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากร่างกายเพราะจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทรมาไม่ต้องมีการต่อสู้แก่งแย่งชิงดีทำมาหากินกันแก่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องมีเรื่องราวต่างๆนี่คือเรื่องของเมนูบุญของวัดนี้การอยากจะกินอาหาร บุญชนิดไหนก็สั่งได้พรุ่งนี้สมาทานได้เลยจุดธูปเทียนสามดอกต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไปเลยพรรษานี้จะเริ่มรักษาศีลไปตลอดชีวิตข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองหรือข้อไหนก็เลือกเอาจะทำบุญทุกวันวันละบาทสองบาทก็ว่าไปรับรองต่อไปมันก็จ ะ, จะเจอแล้ก้าวหน้าขึ้นไปตามลาดับ เดี๋ยวก็จะกลายเป็นภาษาวกของพระพุทธเจ้าต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาริวาหาปุราปริโุเรงติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปปกักปะติ อิชิตังปัติธังตุมหังคิบะเมวะสมมิจโตุสัเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชจันโตสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวะวันตารโยสุขีทีคายุโกภวาภิวาธนศีริตสานิจจังอุทตาปัจายโนจตารโอธรรมวทานเตอายุวโนสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ กราบนมัสการครับพระอาจารย์จาก f a c e b o o สามร้อยสา b สิบเก้ายูทูบร้อยห้าสิบสามวิทยุออนไลน์สามสิบห้ารับฟังบนเขาสี่สิบแปดรวมห้าร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะมีใครอยากถามคำถามไหมมีคำถามอยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็ให้คำถามทางบ้าน อ่านคำถามทางวาดไปก่อนก็ได้ใครไม่อยากจะถามเองเขียนเป็นกระดาษเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามตอนที่เลิกประชุมแล้วพอหมดเวลาไม่ไม่ถามหลังใหม่ถามหน้าใหม่ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ก็เขียนใส่กระดาษมาก็ได้คำถามจากไลน์นะคะคุณ รุงวารุขอโทษถอันผิดนะคะฝึกปฏิบัติธรรมจริงจังมาประมาณหนึ่งปีเคยเข้าขอสิบวันพิจารณาผิวหนังขึ้นลงเห็นเป็นเหมือนฟองคลื่นลามขึ้นลามลงเมื่อกลับมาอยู่เมื่อกลับมาอยู่บ้านก็พยายามทำอยู่แต่พิจารณาได้เฉยเฉยไม่เกิดสภาวะอะไรแต่รู้สึกจิตใจมันบอบบางเกินไปวันไหวกับคำพูดที่เพิอเจอร์ หรืออาการที่มีกิเลสมากๆของผู้คนจึงไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรควรแก้ไขอย่างไรทุกวันนี้เหมือนคนแปลกแยกไม่อยากยุ่งกับใครๆและจิตก็ยังคิดอกุศลบ่อยๆเช่นหมันไส้รำคาญเป็นต้นเออพราะกินยาผิดขนาดไงกินยาผิดชนิดปวดท้องไปกินยาแก้ปวดหัวมันก็ไม่หายเลย ไปพิจารณาร่างกายแล้วมันจะไปแก้ปัญหาเรื่องคนคนอื่นเ้าได้ยังไงการพิจารณาร่างกายให้มันเห็นว่ามันไม่สวยงามนี้เป็นการกําจัดกามราคะ เ, าเห็นใครสวยงามแล้วมันอยากจะได้เขามาเป็นแฟนต้องไปดูตอนที่เขาไม่สวยไม่น่าดาูแล้วความอยากจะได้เขามาเป็นแฟนมันก็หมดไป เช่นดูใต้ผิวหนังเข้าไปดูโครงกระดูกของเขาดูปอดดูตับดูไตดูลำไส้ดูอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเราต้องใช้ตาปัญญาพิจารณาอันนี้คือการพิจารณาร่างกายเพื่อให้เราเกิดความเห็นความจริงของร่างกายว่ามันไม่สวยงามทั้งหมดมันสวยเฉพาะภายนอกแต่พอ เข้าไปใต้ผิวหนังแล้วมันมีแต่สิ่งที่ไม่น่าดูอันนี้การเรื่องของพิจารณาร่างกายส่วนเรื่องที่เราไปวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้เราต้องพิจารณาอย่างอื่นเราต้องพิจารณาว่าบุคคลต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ ฝนจะตกเราห้ามเขาไม่ได้ฝนไม่ตกจะสั่งให้มันตกไม่ได้เราไปเจอพกปะกับเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆมันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ในความสามารถของเราที่จะไปให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เราต้องหยุดความอยากความต้องการของเราคือให้ยินดีตามเหตุการณ์ อาจจะทําให้ใจเรายินดีตามเหตุการณ์ได้เราต้องไปฝึกสมาธิให้มากๆทําทใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาเพราะถ้ามีอุเบกขาแล้วเราก็จะใช้ปัญญาสอนใจว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปพบปะไม่ว่าจะบนท้องถนนหรือที่ไหนมันเป็นอย่างนี้ของเขาเราจะมาไม่มาเขาก็เป็นของเขาอย่างเนี้ยเขาไม่ได้เดือดร้อนแทนเราเลยเราไปเดือดร้อนกับเขาเอง ่เหตุการณ์ตอนนี้บนท้องถนนเขาก็ห้าหันกันจะฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาพอเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์มันก็ไม่เป็นพอเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์เราก็ไปเป็นกับเขาเพราะใจเราไม่มีอุเบกขาฉะนั้นการฝึกสมาธินี้สำคัญกว่าการเจริญปัญญาในเบื้องต้นต้องผ่านสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาได้ฝึกทางปัญญาถ้ามีอุเบกขาพอเจอเหตุการ์ก็ล้ม ทำไม่ได้ทำใจไม่ได้ใจไม่ยอมเฉยต้องหัดทําใจให้เฉยให้เป็นก่อนพอใจเฉยให้เป็นแล้วทีนี้พอไปเจอเหตุการณ์ก็ใช้ปัญญาสอนว่ามันเป็นอย่างนี้แหละอย่าไปอยากอยากแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรพอเข้าใจมันก็เฉยได้ดังนั้นการปฏิบัติส่วนใหญ่มักจะหลงทางกัน นั่งสมาธิแทนจะนั่งให้จิตเป็นอัปนาสมาธินั่งแล้วก็ไปพิจารณาทางปัญญากันหมดนี่ไปพิจารณาบางแห่งก็สอนให้พิจารณาความรู้สึกวิ่งทั่วร่างกายตั้งแต่หัวลงไปเท้าไปรู้มันทำไมมันมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรามันมาทำให้จิตใจเราวุ่นวายกับมันรู้เปล่าใช่ไหมถ้าอยากจะพิจารณาเวทนาก็พิจารณาตอนที่มันเจ็บสิอันนั่นแหละมันมาสะเทือนใจเราใช่ไหม ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่สะเทือนไหมเราสามารถฝึกสอนใจให้อยู่กับมันให้ได้โดยที่ไม่สะเทือนใจเออันนี้จะทําได้ก่อนที่จะทําไปทางปัญญาได้ต้องฝึกจิตให้เป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วต่อให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ใจก็ยังอยากจะให้มันหายอยู่ดีแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจก็จะเฉยได้ พอ ร, รู้ว่าอยากแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากเฉยดีกว่าแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายหรือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปพบปะเนี่ยสิ่งที่เราควรจะสร้างกันขึ้นมาก่อนก็คืออุบเบกขาต้องมีอุบเบกขาที่จะทำใจให้เฉยได้ถ้าเป็นรถก็ต้องติดเบรกก่อนต้องสั่งรถให้เบรกให้ได้ก่อนหยุดให้ได้ก่อน ถ้าสั่งรถหยุดไม่ได้ถึงแม้จะรู้กฎจราจรรู้ว่าถึงสี่ายกไฟแดงจะต้องหยุดถ้าไม่มีเบรกมันจะหยุดได้ไงใช่ไหมมันก็ฝ่าไฟแดงไปเท่านั้นเองนี่แหละคือจิตจิตพวกเรามันไม่มีเบรกกันแล้วอยากจะออกไปพบก็ับไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆพบแล้วก็เบรกไม่ได้เบรกตันหาความอยากเราไม่ได้เฉยๆไม่ได้ งั้พยายามฝึกสติแล้วเวลานั่งสมาธิก็อย่าไปพิจารณาออย่าไปอะไร ท, ทั้งสิ้นให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันอยู่กับบุคลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่าอย่าอย่าลิอย่าหยุดเก่งว่าไปทางปัญญาเออันนี้ยังข้ามขั้นตอนอยู่ให้จิตมันรวมเป็นอัปปนาสมาธิสัจตวรรู้ให้ได้ก่อนแล้วอยู่ไปนานๆอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นไปอย่างนี้เอ อย่างนี้แล้วมันจะมีกำลังของอุเบกขาออกมาแล้วอุเบกขายังมีอยู่กับใจเหมือนกับน้ำเย็นที่แช่อยู่ในตู้เย็นนานๆพอออกมามันยังเย็นอยู่แล้วถ้ามันหายเย็นเมื่อไหร่เราค่อยกลับเข้าไปในตู้เย็นอุเบกขามันก็หายได้จากสมาธิออกมานานๆเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวใจเราไปคิดปรุงแต่งมากๆ ม, ม, มันก็ร้อน พอเรารู้ว่าไม่มีอุเบกขาแล้วกูต้องกลับเข้าสมาธิแล้วกลับเข้าไปทําใจให้มันเย็นให้มันเป็นอุเบกขาก่อนแล้วค่อยกลับมาสู้กับเขาต่อไปอถ้าไม่มีอุเบกขาสู้ไงก็แพ้สู้ไงก็ไ ม, ไม่ไม่ดับทุกข์ไม่ไม่ดับความวุ่นวายใจได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ตนใหญ่เท่าที่ฟังเนี่ยพวกนั่งสมาธิการนั่งไม่เป็นทั้สักคนนั่งปุ๊บก็อยากจะเห็นหนู่นเห็นนี่เห็นแล้วก็ไปตามเขาไปว่าโอเนน้เป็นนู่นเป็นนี่ไม่รู้ว่านั่งสมาธิเพื่ออะไรวิธีนั่งจริ ง, รงๆนั่งยังไไม่มีใครรู้การนั่งสมาธิจริงๆต้องมีสติกำกับใจตลอดเวลาให้มันอยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทธโธไปอย่างเดียวไม่ให้มันไปที่อื่น มีอะไรมาล่ อ, อ ก, ก็อย่าไปบางทีคันตรงนั้นคันตรงนี้น้นนนำลายจะเต็มปากขึ้นมาปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เือมีภาพอันนั้นโผล่ขึ้นมาเสียงอันนั้นโผล่เข้ามาอย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้พุโทโธถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไปให้จิตมันเด่งเข้าสู่ความสงบให้ได้พ อ, อมันเข้าไปความสงบล้ามที่มันเฉย ถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงถึงแม้จะรู้สึกเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันจะไม่เดือดร้อนมันจะเฉยๆอยู่กับมันได้บางทีหายไปหมดเลยจิตเหลือแต่จิตล้วนๆร่างกายหายไปเลยถ้ามันเข้าไปลึกๆมันจะหายไปหมดถ้าไปไม่ลึกไปขณะที่ที่สงบแต่ยังไม่ได้ไม่ได้ยังรับดูกับเรื่องร่างกายอยู่มันก็จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่มาให้รับรู้ทางร่างกายคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้หรืออะไรจะไม่มี ปัญหาอ่าก็ต่อไปคำถามต่อไปค่ะ <c oughs> เราเสียใจกับการที่สามีไปมีคนอื่น <c oughs> เมื่อเรารู้เขาก็เลิกลากันแต่ไม่เลิกลาและไปจากเราเราพยายามที่จะไม่รับรู้ความเจ็บนั้นพยายามให้รู้สึกกับปัจจุบันแต่มันมีความรู้สึกขัดแย้งว่าเราเฉยชาหรือว่าเราอยู่กับปัจจุบัน จะอยากจะสอบถามว่าแล้วปัจจุบันจริงๆคือแบบไหนในความรู้สึกที่เราต้องฝึกก็มันยังไม่เป็นปัจจุบันจริงสิมันเป็นปัจจุบันเทียมคือปัจจุบันที่เราบังคับบังคับให้มันอยู่พอเราเผลอเมื่อไหร่มันก็มันก็ไปปรุงแต่งต่อมันเป็นเพียงขั้นของสติและเป็นสติแบบลมลุกคุกคานเวลาไม่สติมันก็อยู่กับปัจจุบัน พอเวลาเผลอมันก็ไปอดีตไปอนาคตมันก็ไปไปมามาวิ่งไปวิ่งมามันต้องมีสติแบบให้จิตเข้าอัปปนาสมาธิได้ตอนนั้นแหละมันจะอยู่ปัจจุบันครึ่งชั่วโมงนี้เวลาอัปปนาสมาธิมันจะนิ่งมันจะอยู่กับมันปัจจุบันสักแต่ว่ารู้แล้วเวลาออกมามันก็จะอยู่กับปัจจุบันไปได้สักระยะหนึ่งตามกําลังของอุเบกขาที่ได้สร้างไว้ พอมันเริ่มไปอดีตอนาคตไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องกลับเข้าไปใหม่ก็เรื่องเดียวกับเมื่อกี้ที่พูดนั่นแหละค่ะคาถามต่อไปฝากถามค่ะทำบุญทำทานบ่อยและทำเป็นประจำแต่ไม่เคยอธิษฐานขออะไรอะไรเลยเป็นการทำบุญที่ฉลาดหรือเปล่าคะคิดแต่ว่าทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ก็ขอสละให้มีประโยชน์ต่อผู้อื่น และเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้ผู้อื่นค่ะนั่นแหละเป็นการทําบุญที่ถูกถูกหลักของการทําบุญการทําบุญนี่เรามันขอมันก็ไม่ได้หรอกถ้ามันไม่ได้เป็นเหตุที่จะได้เหมือนปลูกข้าวแล้วไปขอส้มนี่มันขอยไงมันก็ไม่ได้เอปลูกข้าวมันก็ต้องได้ข้าวจะปลูกข้าวแล้วขอให้ได้ส้มได้ทุเรียนมันไม่ได้หรอกเหมือนกันการทําบุญนี่มันก็ได้ความนุ่มเย็นเป็นสุขได้ความ เย็นสบายอิ่มใจสุขใจเบาใจมันไม่ได้อย่างอื่นขอนิพพานก็ไม่ได้ขอไปสวรรค์ก็ไม่ได้การทำบุญนี้ถ้าไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ถ้ายังทำบาปอยู่ก็ยังไม่ได้ไปสวรรค์อยู่ดีถ้าบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบาปมันจะต้องส่งผลก่อนยันถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้ต้องทำบุญแล้วก็ไม่ทำบาปด้วยถ้าทำบุญ น้อยก็ทําทบาปก็ไปสวรรค์ไม่ได้ถ้าทําบาปด้วยทําบุญด้วยบุญก็ต้องมากกว่าบาปมันถึงจะไปสวรรค์ได้คําถามต่อไปจาก facebook <c oughs> คุณระพีผากราบธรรมสจัจจกราบธมสักการพระอาจารย์ครับกิเลสทางโลกและกิเลสทางธรรมส่วนกิเลสทางโลกผมพอที่จะเข้าใจได้อยู่บ้างเล็กน้อยแต่พระอาจารย์บอกว่ากิเลสทางธรรมก็มี แล้วกิเลสทางธรรมเป็นอย่างไรครับก็คือกิเลสที่มันดึงให้เราติดอยู่กับธรรมชั้นต่ำไงถึงเวลาควรจะขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงมก็ไม่ยอมไปเช่นพวกที่ทําบุญแล้วก็ติดบุญถึงเวลาไปภาวนาก็ไม่ยอมไปภาวนาจะทําบุญทำทานจะทอดภาพ ป, ป่าทอดกระทินจะสร้างโบสสร้างเจดีย์ไปเรื่อย มาถึงเวลาที่จะไปภาวานาได้ไม่ยอมไปภาวานาอันนี้ก็แสดงว่าเป็นกิเลสเพราะว่ามันดึงให้เราติดอยู่กับทมขั้นต่ำมันถึงทมขั้นสูงก็ต้องไปพอไปขั้นขั้นสมาธิก็ไปติดสมาธิอีกไม่ออกไปทางปัญญาก็เป็นกิเลสอีกเพราะมันเป็นขั้นๆ ข, ข, ของมันนี้คาถามต่อไปจะคุณเพ็ญจนันทร์ คำว่ามีอารมณ์เดียวหมายถึงอย่างไรเจ้าคะก็สักแต่ว่ารู้ไงตอนจิตสงบเป็นอุเบกขานี่ความรักชังกลัวหลงไม่มีพวกเราตอนนี้มีตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวไม่รักก็ชังเดี๋ยวไม่กลัวก็หลงสลับกันแต่เวลาจิตเป็นอัปปนาสมาธิแล้วไม่มีรักชังกลัวหลงมีแต่สักแต่ว่ารู้รู้อย่างเดียวรู้ว่าตอนนี้ใจว่างใจเย็นใจสบาย นี่แหละคืออารมณ์เดียวเอกขักระตารมจิตรวมเป็นหนึ่งถ้าออกจากสมาธิมาเดี๋ยวก็กระจายออกมาสู่ความรักชังกลัวหลงถ้าอยากจะให้มันกลับเข้าไปโดยไม่ไม่กลับเข้าไปสู่สมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนรักอะไรก็ต้องสอนให้มันไม่ให้รักชังอะไรก็ต้องสอนให้มันไม่ให้ชังสอนด้วยปัญญาแล้วต่อไปรักชังกลัวหลงก็จะหายไปอย่างถาวอ แต่ถ้าให้มันหายชั่วคราวก็หายไวตอนที่เข้าไปในสมาธิแต่ถ้าให้มันหายชั่วคราวหายถาวรนต้องใช้ปัญญาสอนแต่ก่อนจะใช้ปัญญาสอนได้ต้องให้มันหายแบบสมาธิก่อนถึงจะสามารถสอนให้มันหายอย่างถาวรได้ต่อไปจากคุณพิมพรขอโอกาสอ่านค่ะพระอาจารย์ วันนี้หนูจะฟังเทศเป็นวันสุดท้ายค่ะหนูกราบลาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะไปบวชถือศีลไปบวชสามวันขอกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะขอค่ะ ข, ข, ขอให้อ่านค่ะอ่ก็อ่านแล้วท่านี้เ ล, ลยโอเคสาธุสาธุสาธุสาธุาอาให้ตายเลยนะกิเลส <laughs> <laughs> คนนี้ฟังทุกวันเลยเนี่ยจะหยุดสามวันดีฟังแล้วต้องอาไปปฏิบัติช่วงปฏิบัติก็อย่าไปติดฟังติดฟังก็เป็นกิเลสเองครัทีนี้เพราะไม่ใช่เวลาฟังแล้วเวลาขึ้นชกเวทีอย่าไปฟังโค้ดแล้วนี่ต้องต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้เราแล้ ว, ลวถ้าบงไปฟังโค้ดหรือทำไงเดี๋ยวก็โดนก็เขาก็น็อกเอาทั้งนั้นเอง นั้นเวลาที่ฟังหมดแล้วถ้าขึ้นเวทีเมื่อไหร่ช่วงนั้นก็ไม่ฟังเวลาต่อสู้กับกิเลสไว้รอช่วงพักยกก่อนถ้าพังยกค่อยกลับมาฟังได้เช่นปฏิบัติไปแล้วอาจจะไปติดตรงไหนไปไม่ต่อไม่ได้อันนี้ก็ต้องกลับมาฟังเทศใหม่ต่อไว้เราทําอะไรผิดทําอะไรไม่ถูกขาดอะไรหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็ต้องไปกราบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบะการณ์เพราะบางทีรอฟังเทศมันมั น, ม, นมันไม่ตรงเป้าอ่ะ ถ้าเวลาปฏิบัติแล้วถ้ามันมีปัญหาเฉพาะตัวนี่มันบางทีฟังทรมันมันจะไม่ได้คำตอบมันต้องไปถามกับคนโดยตรงเลยว่าตอนนี้ผมติดตรง น, นี้จะทำอย่างไรค่ะำถามต่อไปจากคุณอ้ําการรักษาศีลข้อมุสาเคยได้อ่านว่าการพูดจาล้อเล่นพูดตลกขนองนั้น ส่งผลให้ศีลเราด่างพร้อยแล้วการพูดเช่นนี้จะส่งผลต่อเรื่องการรักษาศีลส่งผลต่อผลบุญอย่างไรเจ้าคะคือการพูดเพ้อเจ้พูดคำหยาบนี่มันเป็นศีลละเอียดมันไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าพูดปลดพูดปดก็เป็น <c oughs> เป็นศีลข้อหนึ่งในศีลของคำสัมมาวาจานอกจากพูดปลดแล้วยังไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบเพราะคำพูดเหล่านี้มันก็ไม่ดีมันทำให้จิตใจมันจิตใจป่าทําทำให้คนอื่นเขาไม่เชื่อถือในคำพูดของเราแล้วทาให้จิตใจเราไปสร้างปัญหากับผู้อื่นได้พูดคำหยาบคนเขาก็จะเบื่อเกลียดที่หน้าเราพูดเพ้อเจอ้อคนก็ไม่อยากจะฟังฟังแล้วไม่มีประโยชน์ พูดสอนเสียก็ไปยุยงให้คนอื่นเขาแตกแยกกันก็ไม่ดีอันนี้สําหรับผู้ที่ต้องการรักษาศีลแบบอศีลแปดขึ้นไปเขาจะเพิ่มศีลอีกสามข้อนี้อคือคือถ้ารักษาศีลห้านี้ก็แค่ศีลเขาเอาแค่เนี่ยแค่ไม่พูดปดถ้าศีลแปดนี้เขาจะเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ไม่รู้นะเพราะว่าในศีลแปดเขาก็ไม่ได้สมาทานกัน อันนี้อาจจะสมาทานนอกนอกนอกนอกศีลเป็นศีลพิเศษเป็นศีลเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อแต่มันแต่มันไม่ดุลแรงไม่ไม่เสียหายเท่ากับการพูดปดพูดคำหยาบมันไม่เสียหายเท่ากับการพูดปดพูดเพ้อเจ้อก็ไม่ได้เสียหายเพียงแต่ไม่เกิดประโยชน์เสียเวลาพูดสอดเสียก็ไปทำให้คนอื่นเขากโกรธกันเกลียดกันนั่นเองแต่มันไม่เสียหายรายกาศเหมือนกับพูดปด ค่ะคำถามต่อไปจากท่านผู้ทรงไบาลานเปล่าก่อนที่เราจะทำการนั่งสมาธิควรทำอย่างไรครับนึกอยากจะนั่ ง, น, งนั่งได้เลยหรือไม่ครับก็ต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ายังปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งอยู่พอมานั่งมันก็ก็คิดปรุงแต่งต่อไปเวลานั่งนี้ต้องมีสติกากับใจไม่ให้คิดอะไรให้มันอยู่กับเรื่องเดียวสิ่งเดียว เช่นอยู่กับพุโทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้านั่งแล้วอยู่ไม่ได้ก็นั่งไปก็ไม่ไม่ได้ผลดงนั้นก่อนจะนั่งต้องมีสติก่อนต้องฝึกสติก่อนนั่งแล้วการฝึกสติมันก็ไม่ใช่แค่สองนาทีสามนาทีตั้งสติอย่างที่เขาทำากันต้องตั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยให้มันตั้งอยู่บ่อยๆตั้งสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าให้ปล่อยใจให้ไป คิดถึงเงื่องต่างๆให้มันอยู่อดีตหนึงให้มันอยู่ในอดีตหนึ่งให้มันอยู่ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นปัจจุบันชั่วคราวก็ต้องทําไปก่อนทําไปได้เรื่อยๆต่อไปมันก็จะอยู่ได้นานอยู่ในปัจจุบันได้นานพอมานั่งเฉยๆถ้ามันอยู่ในปัจจุบันได้นานมันก็จะสงบได้ง่ายส่วนเรื่องเรื่องพิธีกรรมต่างๆไหว้ครูต่างๆก็แล้วแต่ความพอใจบางคนก่อนจะนั่งอาจจะสวดอิติปิโสหนึ่งรอบก่อน บางคนจะเอาพุทธังสรนังกระชามิก่อนหรืออะไรอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลถ้าเป็นมวยสากลก็ไม่ต้องเลยขึ้นเวทีก็ชกกันเลยถ้าเป็นมวยไทยอาจจะต้องไหว้ครูก่อนลำไหว้ครูก่อนอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะจะจะจะทำส่วนบางคนนี้เวลาเริ่มนั่งนี้ไม่มีสติพอ ือนั่งแล้วคิดก็เลยใช้การสวดมนต์เป็นการสร้างสติก่อนก็ได้ถ้าไม่มีเวลาสร้างสติทั้งวันพอมานั่งสตินั่งสมาธิก่อนจะก่อนจะมีสติพอที่จะนั่งดูลมหรือพุทโธได้ จ, จะต้องสวดมนต์ไปก่อนก็นั่งสวดมนต์ไปก่อนเพื่อให้เกิดสติขึ้นมาเพื่อดึงจิตให้กลับมาปัจจุบันไม่ให้จิตไปติดอยู่กับความคิดต่างๆ คำถามต่อไปจะคุณพีโกถ้ายึดแนวบุญกริญกริยาวัตถุสิบเพียงพอต่อการบรรลุพระอนาคามีหรือพระโสดาบันไหมครับก็บรรลุ ถ, ถึงพระอรหันต์เลยหละ ถ, ถ, ถ้ามีบุญญากรยมไม่ต้องสิบแล้วแค่สี่ก็พอทานศีลภาวนากับฟังเทศฟังธรรมนี่อันนี้เป็นบุญหลักส่วนบุญอื่นมีโอกาสทำก็ทำไปไม่มีโอกาสาก็ไม่ทาก็ได้เช่นอนุโมทนาบุญนี่ ถ้ามีโอกาสก็อนุโมทนาไปร่วมบุญกับเขาไปถ้ามีใครเข้ามาบอกเมื่อกี้คนเมื่อกี้เขาบอกเขาจะไปปฏิบัติธรรมนะล้วก็อนุโมทนาไปเนี่ยอย่าไปบอกเอออย่าไปเลยไปเที่ยวดีกว่าเนี่มแล้วแต่โอกาส บ, บุญเสริมนี่แล้วแต่โอกาสถ้าใครเดือดร้อนเราว่างพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปอันนี้ก็บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือกันรับใช้กัน อ, อันนี้แล้วแต่เหตุการณ์ ถ้าเรามีโอกาสได้ทําบุญอยากจะอุทิศบุญให้กับคนตายเราก็อุทิศไปแต่เราไม่ทําเป็นงานหลักเราทําตามโอกาสตามเหตุการณ์แต่บุญหลักที่เราต้องทํานี้ก็มีอยู่สี่ข้อเนี้ยทานศีลภาวนากับการฟังเทศฟังธรรมถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าวิธีจะปฏิบัติมีอะไรบ้างฉะนั้นการฟังธรรมนี่มาก่อนเลย ฟังธรรมแล้วพอฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าต้องทำบุญทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาส่วนบุญอย่างอื่นก็แล้วแต่โอกาสมีโอกาสก็ทำไปไม่มีโอกาสไม่ทำก็ไม่เสียหายไม่เป็นไม่ไม่ได้มาทำให้ไม่ไม่สามารถไปไปนิพพานได้บุญที่ต้องทำให้เราไปนิพพานนี่มีอยู่สี่ทานศีลภาวนากับการฟังเทศฟังธรรม คำถามต่อไปจะคุณออนอุมาการที่ไม่ทำบุญกับพระไม่ไปทำบุญที่วัดแต่คิดดีทำดีก็พอแล้วอย่างนี้คิดถูกหรือเปล่าคะก็ถูกครึ่งหนึ่งะก็คือจะไม่ได้ประโยชน์จากการไปวัดเพราะการไปวัดนอกจากการทำบุญคิดดีพูดดีแล้วมันจะได้ธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ถ้าไม่ไปวัดคิดดีพูดดีทำดีก็ไม่ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่พอไม่รู้อเหตุที่มาทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั้นเกิดจากอะไรและไม่รู้วิธีที่จะกำจัดเหตุนั้นให้มันหมดไปจากใจได้จะได้ก็ต่อเมื่อเราไปวัดก็ต้องไปวัดที่เป็นวัดที่มีคนสอนเรื่องนี้ ถ้าไปวัดที่คนไม่ได้สอนเรื่องนี้ก็เหมือนไม่ได้ไปวัดอยู่ดีอถ้าไปวัดแล้วก็มีแต่ว่าทําบุญทําทานอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ต้องไปก็ได้ออยู่ที่บ้านทําบุญกับขอทานก็ได้เอทําบุญกับพ่อแม่ก็ได้ทําบุญกับผ้าล้านของเราก็ได้แต่ไม่ได้ไปพระนิพพานถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องไปวัดที่มีพระพุทธธรรมหรือพระสงฆ์เป็นผู้สั่งสอน คำถามต่อไปจะคุณวสุพรคนธรรมดาถ้าได้ทำชั้นสูงถ้าไม่บวชแล้วจะตายใช่ไหมคะไม่บวชก็ตายบวชก็ตายมันไม่ได้เกี่ยวกับบวชหรือไม่บวชเข้าใจไหมคนตายทุกวันไม่เกี่ยวกับว่าบรรลุทำขั้นสูงแล้วไม่ได้ไม่ได้บวชจะตายไม่เกี่ยวกันไม่รู้ใครเอาคัมภีร์นี่มาจากไหนไม่รู้เราไปค้นถามดูเยอมาจากคัมภีร์บทไหนวะพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าพูดหรือเปล่า ไม่มีเนีลองไปคน้นลองเสิร์ชใน Google ดูเนี่ย ม, มีมีคำภี์บทไหนบ้างอยู่ในเล่มไหนว่าถ้าบรรลุปเป็นพระอาหันต์แล้วถ้าไม่ได้บวชจะต้องตายภายในเจ็ดวันไม่มีหรอกมันเป็นคนจับแพะมาชนแกะก็มีเหตุการณ์เพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุปเป็นพระอาหาันต์เจ็ดวันก่อนตายก็เลยคิดว่าเนี่ยพรพาะเป็นเป็นคนธรรมดาไม่ได้บวชเนี่ยถ้าบวชก็คงจะไม่ตาย ไม่ใช่หรอกพ่อเขาจะตายอยู่แล้วทีพระพุทธเจ้าก็เลยไปโปรดช่วงก่อนจะตายให้บรรลุเป็นผ้าอารหรันนั่นเองเล้วอีกเรื่องก็มีชายคนหนึ่งที่ไปขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนที่กําลังบินธบาติพระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเขาบอกขอสั้นๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าคงจะรู้ว่าจิตเขาพร้อมที่จะหลุดแล้ว ท่า น, นก็บอกเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้พอฟังท่า น, นี้เขาก็บรรลุแล้วเสร็จแล้วเขาขออนุญาตไปเตรียมเตรียมตัวบวชระหว่างทางก็ถูกกระทิงขิดตายก็เลยหาว่าเนี่ยเป็นผ้าหันพอไม่ได้บวชก็ตายก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราไปจับแพะมาชนแกะไอ้ท่านเอง คำถามต่อไปจาก youtube คุณวินิเมตหลานที่บ้านเป็นหลานของแฟนเป็นเด็กที่ก้าวร้าวทาให้เราไม่อยากไปยุ่งไม่คุยด้วยแต่ที่บ้านก็อยากให้เล่นด้วยควรทําอย่างไรคะก็เราทําตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมก็แล้วกันถ้าเราถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เล่นพอแม่ไม่เสียมารยาท ก็บางทีก็ต้องเล่นละครใช่ไหมอยู่ด้วยกันไม่อยากไปขัดใจใครก็เอ้าเขาไม่อยากจะให้เล่นกับหลานก็เล่นกับไปเวลาเขารับหลังเขาเราก็เลิกเล่นก็ไม่ได้อยู่ตอนนี้เราตลอดเวลาคำถามต่อไปจะคุณวสันผู้ที่บรรลุถึงโสดาบันซึ่งพระโสดาบันยังมีการมราคะอยู่บางท่าน บอกว่าท่านมีการรมเหมือนปกติเท่ากับปุตตุชนทั่วไปแต่กระผมเข้าใจว่ากามของพระโสดาบันแม้กามยังไม่สิ้นแต่ก็น่าจะมีน้อยเมื่อเทียบกับปุตุชนเนื่องจากท่านละสักพยชิติได้แล้วขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับอ๋อเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านมีศีลท่านจะไม่ทำผิดศีลในการเสพการรมปุตุชนนี้ไม่เลือกใช่ไหม บางทีก็ลูกใครเมียใครสามีใครก็ไม่เวลามันเมาขึ้นมามันมันขึ้นมามันก็ไม่เลือกมันไม่แต่ถ้าพระโสดาบันถึงแม้จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าเขามีสามีมีภรรยาท่านก็ไม่แตะท่านรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตต่างกันตรงนั้นเพราะท่านยังไม่ได้ไยังไม่ได้กําจัดมันไงท่านมัวแต่กําจัดเรื่องอื่นก่อนเรื่องจักรยานทิฐิก่อน คือความหลงผิดที่ไปเห็นร่างกายและว่าเป็นตัวเราของเราท่านอ็เรยต้องไปแก้ปัญหาตัวนี้ปล่อยวางตัวนี้ก่อนท่านไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวท่านเอเป็นเหมือนตุ๊กตาที่ท่านได้มาจากพ่อแม่ท่านก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องแก่เจ็บตายแต่ท่านยังไม่ได้ศึกษาเรื่องวิธีแก้กามอารมณ์เป็นขั้นต่อไปท่านจะได้เรียนรู้ว่า ต้องใช้อสุภะถึงจะหยุดการมาลลได้คำถามต่อไปไม่ประสงค์ออกนามเราจําเป็นที่จะต้องเส้นไหว้เจ้าที่บูชาเจ้าที่ไหมคะปกติจะสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธิที่ห้องพระทุกเช้าคะ่ะก็ไม่มีในบุญสิบประการนี่ใช่ไหมเขเจ้าสอนบอกให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางว่าไม่มีหรอกก็จะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้ไม่มีผล ต่อจิตใจของเรานอกจากเป็นผลทางจิตวิทยาบางทีว่าแล้วสบายใจก็ไหว้ไปเพราะเรายังไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องไหว้ผีเทวดาเขาก็อยู่ของเขาไปตามเรื่องของเขาถ้าเขาไม่มายุ่งอะไรกับเราที่เราชอบจับแพะชนแกะพ อ, พอขโมยขึ้นบ้านก็เลยโทษว่าเพราะไม่ได้ไหว้ผีไหว้เทวดาไม่สร้างไม่ทำสารพระภูมิ ก็เลยต้องกลัวเดี๋ยวมีอะไรภัยพิบัติเกิดที่บ้านเลยต้องสร้างประกันภัยไว้่ไมสร้างสารประกูนี่เหมือนกับไปซื้อประกันภัยไงดีกว่ามันถูกกว่าเยอะแยะสร้างทีแล้วใช้ได้ตลอดชีวิตเลยถ้าประกันภัยนี่มันต้องเสียทุกปีคําถามต่อไปจะคุณทวิชาหนูเพิ่งกลับจากการปฏิบัติธรรมมาค่ะ ผลจากการปฏิบตัติหนูสามารถรวมจิตได้เมื่อต้องการถ้ากลับมาบ้านใช้ชีวิตกับครอบครัวรักษาแค่ศีลห้าสมาธิที่ได้มีโอกาสเสื่อมหรือเปล่าคะอ๋อมันเสื่อมตั้งแต่กลับมาแล้วเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ถ้าคิดว่ายังอยากจะอยู่กับครอบครัวนี่แสดงมันเสื่อมหมดแล้วถ้ามันไม่เสื่อมมันจะไม่อยากกลับก็ออยัง น, นมันได้แป๊บเดียว ออกมามันก็หายไปหมดแล้วมีแต่สัญญาความจําว่าได้มาเท่านั้นเองแต่ตัวจริงๆของมันหายไปหมดแล้วถ้ามันยังอยู่มันจะไม่อยากจะกลับบ้านหรอกมันจะรู้ว่ากลับมาบ้านแล้ววุ่นวายหนออยู่กับความสงบนี้แสนจะสบายแต่มันหายไปตั้งแต่เราออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะกลับบ้านขึ้นมาแล้วเนี่ยมันปั๊บเดียวเท่านั้นเองเขาเรียกว่าคณิกะถ้าเป็นความสงบก็แบบคณิกะแบบงูแลบลิ้นเท่านั้นเองอาจจะไม่ใช่เป็นคณิกะที่เได้ทำไป ถ้าคณิกาจริงๆมันก็ยังอยากจะกลับมาอยู่มันจะเริ่มเบื่อบ้านเบื่อช่องนะแต่ถ้าก็ยังคิดว่ายังอยากกลับมาอยู่กับครอบครัวรักษาศีลห้าอยู่นี่ก็แสดงว่าหายไปหมดแล้วคําถามต่อไปจะคุณทริชาหนูมีความเครียดอยู่ตลอดเวลากลัวใครจะไม่สบายกลัวใครจะตายมีวิธีแก้ไหมคะก็ถามตัวเองแล้วมันห้ามมันได้ปะ เวลาความกลัวของเราห้ามไม่ให้คนอื่นเขาไม่สบายได้หรือเปล่าห้ามไม่ให้เขาตายได้หรือเปล่าถ้าห้ามไม่ได้แล้วไปกลัวทําไมไปเครียดทําไมเอเหมือนกับอยู่ดีๆก็เอาเอาของแข็งมาทุบศรีรษะเราเนี่ยทุบแล้วทําให้คนอื่นเขาหายจากอ่าทําให้เขาหายตายได้หรือเปล่ามันก็หายไม่ได้ไปทุบศรีรษะเราทำไมให้ให้เหนื่อยเปาเปล<ๆ>ให้เจ็บเปาเปล่ไปไปกลัวทำไมไป ความกลัวของเขาเกิดจากความอยากไม่ให้เขาตายไม่ให้เขาแก่ไม่ให้เขาเจ็บแต่ไม่มีใครห้ามได้แล้วเขาตัวเขาจริงๆก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายตัวเขาไม่ใช่ร่างกายตัวเราก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นตุ๊กตาที่พ่อแม่ให้เรามาเล่นเท่านั้นเองเราเล่นกับมันจนห่างหลงไปกับมันคิดว่าเราเป็นตัวตุ๊กตาไปเราก็เลยกลัว พอต๊กตามันจะแก่จะเจ็บจะตายก็เลยกลัวกันเพราะไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายยังต้องสอนต่อว่าต่อไปนี้ว่าคนที่ตายไม่ใช่ตัวเขาตัวเขาไม่ได้ตายที่ตายเป็นตกตาของเขาคือร่างกายของเขานี่เป็นตกตาตัวเขานี่เรามองไม่เห็น ต, ตัวเขาไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเขาเป็นมนุษย์ล่องหนแต่ที่เขาพูดคุยกับเขาเนี่ยคือม น, นุษย์ล่องหนพูด ผ่านทางร่างกายที่เราคุยคุยกับญาติโยมนี้เราใช้ร่างกายคุยกันแล้วก็ญาติโยมใช้ร่างกายรับเสียงเราไปทีหนึง่งนั้นสรุปร่างกายเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือคือร่างกายนี้ติดต่อกับโทรศัพท์มือถืออี ก, อกเครื่องหนึง่งแล้วก็คุยกับใครก็คุยกับร่างกายคนหนึ่งแต่คนที่คุยไม่ใช่ร่างกายคนที่คุยคือใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะได้ไม่กลัวไม่มีใครตายมีแต่ร่างกายที่เป็นตุ๊กตาทำมาจากดินน้ำนมไฟทุกร่างกายต้องตายหมดแต่คนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ตายก็ไปหาร่างกายใหม่ไปรับตุ๊กตาตัวใหม่จากพ่อแม่คนใหม่เท่านั้นเองค่ะคำถามต่อไปจะคุณสริสา การนั่งสมาธิและรู้สึกการเปลี่ยนแปลงของลมหายใจและนึกตามหรือเห็นว่ามันไม่เที่ยงตามที่เป็นแต่ยังเป็นความคิดเริ่มแบบนี้ก่อนได้ไหมคะไม่ได้หรอกอย่าไปคิดอย่าไปคิดว่ามันไม่เที่ยงให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกรู้ว่ามันสั้นหรือยาวอยากรือละเอียดอย่าไปพิจารณาอย่าไปใช้ความคิดนั่งนี้เพื่อให้หยุดความคิด ให้รู้เฉยๆให้สักแต่วรู้มันจะได้รวมเป็นหนึ่งเป็นสักแต่วรู้ได้ถ้ามีความคิดมันก็จะไม่สักแต่วรู้มันจะสักแต่ว่าคิดมันก็จะไม่สงบไม่รวมเป็นหนึ่งนันอย่าไปคิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่ามันสั้นรู้ว่ามันยาวรู้ว่ามันหยาบรู้มันละเอียดรู้ว่ามันเข้ารู้ว่ามันออกให้รู้เท่านั้นเองให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าสู่ตัวรู้ ถ้าไปคิดแล้วมันจะไม่เข้ามันจะปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลเพราะคนเราไม่รู้จักวิธีปฏิบัติคิดว่านั่งแล้วจะต้องคิดกันนั่งให้หยุดคิดเรื่องปัญญานี้รอให้ให้หยุดคิดให้เป็นก่อนหยุดคิดเป็นแล้วถึงจะได้สั่งให้มันคิดไปในทางที่ควรจะคิดตอนนี้เรายังสั่งมันไม่ได้มันชอบคิดไปในทางที่ไม่ควรจะคิดจึงต้องมาหัดหยุดคิดกันก่อน แล้วก็ทำใจให้มีความสุขก่อนเมื่อมีความสุขแล้วจะได้สอนใจให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขใหม่ให้เลิกหาวิธีจากการทำตามความอยากต่างๆให้มาหาจากการทำใจให้สงบแทนออ okay, โอเคเดี๋ยวอีกสองนาทีต่อไปคับมีคำถามต่อเนื่องจาก ค, คุณสุกค่ะยังวางอุเบกขาไม่ค่อยได้ซาลาเจ็บหรือหลงชอบกับไม่ชอบกับสภาวะ ใช้ความคิดในการวางเฉยก่อนแทนได้ไหมคะไม่ได้หล้วมันมันความเป็นความเฉยเทียมไงเฉยเทียมมันก็เหมือนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนี่ยเหมือนั้นแต่เนจจายบมึงมาหลอกกูทําไมกูรู้มันเจ็บต้องรู้ว่าเจ็บแต่กูทนมึงได้กูอยู่กับมึงได้อี้ต่างหาก้วอยู่กับมันได้ต้องมีอุเบกขาแท้คือต้องเฉยจริงออันนี้มันเฉยเทียมเป็นแค่หลอก หลอกตัวเองว่าไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนี่มันเจ็บออย่าไปหลอกตัวเองมันเจ็บแต่สู้มันได้อยู่กับมันได้ไม่กลัวมันนี่ต้องอย่างนี้่าไม่กลัวมันต้องมีอุเบกขาจริงต้องทําใจให้สงบรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เท่านั้นมันถึงจะเป็นอุเบกขาจริงขึ้นมาได้ค่ะค ำ, คำถามสุดท้ายจะคุณสลีสาเนี่คะ่ะกําลังสมาธิไม่พอใช่ไหมคะอ่านั่นและยังเข้าไม่ถึงอัปปนาต้องให้เข้าถึงอัปปนาให้ได้ก่อน ยเบื้องต้นอย่าไปสนใจกับเรื่องปัญญาอย่าไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้นอย่าไปรับรู้อะไรเวลานั่งสมาธิให้รู้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นคู่เครื่องกำกับใจจะพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปจะดูลมก็ดูลมไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้เอาแล้นะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเพพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน